ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรที่ชื่อว่าห่วงคือภิกษุณีกล่าวโทษของตระกูลในสำนักภิกษุณีทั้งหลายด้วยประสงค์ว่าทำอย่างไรภิกษุณีทั้งหลายจึงจะไม่มาต้องอาบัติปาจิตตีหรือกล่าวโทษภิกษุณีในสำนักตระกูลต้องอาบัติปาจิตตี